สสูจิครรสิกขาบท139ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ให้ทำกล่องเข็มด้วยกระดูกด้วยงาหรือด้วยเขาณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักแคว้นสักกะถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไม่รู้จักประมาณออกปากข อ, อกล่องเข็มเป็นจำนวนมากในสูจิครสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุทรฐานหกสมุดฐาน